ใจถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่เราจะตั้งใจกันแล้ว <Wow. S 1> ให้ทำใจเข้มแข็งกล้าหาญอย่าไปอ่อนแอท้อแท้กับความง่วงเหงาหาวนอนต่างๆ คื้นชื่อว่าความง่วงความเหงาเหล่านี้นั่นมันไม่ยุติลงได้ล่ะถ้าหากว่าเราเอาชนะมันไม่ได้ถ้าโอนแอร์ไปตามมันแล้วมันก็ครอบงำอยู่อย่างนั้นแหละทำให้เป็นคนง่วงเหงาซึมเซ่อไม่มีสติปัญญาอะไรเลย คนที่ปล่อยให้ความห่วงครอบงำจิตใจดังนั้นจึงปลุกใจของตนให้ตื่นเบิกบานต่อศีลต่อธรรมต่อบุญกุศลอย่าให้ความห่วงมาครอบงำธรรมดาจิตใจนี่นั่นมัน เป็นของผ่องใสมาแต่เดิมแต่ที่มันเศร้าหมองก็เพราะคนเรานี่ยปล่อยให้กิเลสมันหุ้มห่อเอาเหตุนั้นมันจึงเศร้าหมองถ้าหากว่าเราละกิเลสออกไปกิเลสมันดับไปเท่าไหร่จิตใจมันก็ผ่องใสขึ้นมาเท่านั้น อย่างนี้นะให้พากันพิจารณาให้มันเห็นเรื่องนี้นะถ้าพิจารณาไม่เห็นมันก็ไม่มีกำลังใจที่จะทำความเพียรเพราะมันมันไม่เห็นผลนี่มันก็ท้อแท้แล้วแต่ถ้ามันเห็นผลเช่นอย่างว่าแต่ก่อนนั่นใจมัวหมองอยู่มาก พอเมื่อมีความภาคเพียรพยายามละมันไปเรื่อยๆอย่างนี้รู้สึกว่าจิตใจก็ผ่องใสขึ้นมาใจก็สงบมากกว่าฟุ้งซ่านถ้าเห็นอย่างนี้ก็แสดงว่าเห็นผลแห่งการทำความเพียรมันกจะมีกำลังใจนะจะมีปีติขึ้นมา เพราะว่าคนเรานี่เมื่อได้ความสุขจิตสุขใจสบายใจแล้วมันก็เกิดปีติละเรื่องมันอิอ่มใจไอ้ที่มันไม่มีปีติมันหิวโหวยอ่อนแออยู่นี่ก็เพราะว่าใจมันไม่ได้รับความสุขความส ง, งบความสุขกับความส ง, งบ เป็นของคู่กันเพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องการความสุขที่แท้จริงแล้วพึงทำใจให้ส ง, งบพึงน้อมสติเข้าไปภายในเพ่งใจนั้นให้เข้าถึงความส ง, งบอย่าให้ใจมันฟูออกมารับกับอารมณ์ต่างๆภายนอก <c oughs> นั่นแหละ บ, บุคคลผู้ที่ต้องการความสุขอันเป็นแก่นสารแล้วเพื่อนก็มาพยายามทำใจให้สงบนี่แหละถ้าผู้ใดติดความสุขที่อิงอาศัยวัตถุสิ่งของอนะ่ะมันก็ไม่ชอบจะมาทำใจให้สงบเนื่องนั้นแหละคนส่วนมากนะ มันจึงดิ้นลนแสวงหาเงินทองเข้าของให้ได้มามากมากโดยเข้าใจว่าเมื่อตอนสะสมเงินทองเข้าของได้มากมากแล้วตนก็จะมีความสุขสบายอ่าอย่างนี้นะเหตนั้นนะมันถึงดิ้นเสวงหาไปไม่หยุดยั้ยงหันหลังให้ศาสนาคล้ายๆก็ว่า มองเห็นว่าศาสนานี่ไม่ได้อำนวยความสุขอะไรให้แก่ผู้นับถือเลยมันเห็นไปอย่างนั้นในคนส่วนมากนะก็จริงแต่ถ้าผู้ใดไม่มานั่งสมาธิภาวนาไม่ทำใจที่พุ่งซ่านเรื่อนลอยให้สงบระ ง, งับลงไปแล้วแทบจะไม่เห็นคุณค่าของพุทธศาสนาเสียเลยแหละ เพราะการทำบุญให้ทานให้ไปแล้วก็หมดไปถ้าเรามองผิวเผินนะให้ไปแล้วก็หมดไปไม่ได้อะไรตอบแทนมาเลยการรักษาศีลก็ไม่ได้อะไรตอบแทนมาอย่างนี้นะเยิ่งเมื่อไม่ได้ภาวนาม่ได้ทำใจให้สงบมันจึงได้ท้อแท้ใจนั่นเ จึงได้ถอยหลังเข้าครองก็มีบางคนนะดังนั้นแหละเพื่อพิสูจน์ว่าพุทธศาสนานี่อำนวยความสุขให้แก่ผู้นับถืออย่างไรก็ขอให้ตั้งใจทาสมาธิภาวนานี่แหละอันเป็นข้อปฏิบัติข้อสุดท้าย เมื่อเราทำใจสงบลงไปได้แล้วมันก็รู้เองขึ้นมาอะไรแบบนั้นนะโอ้พุทธศาสนานี่วิเศษจังอะ่ะน่าอัศจรรย์ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาจิตใจไม่เคยสงบเลยพอมาเจริญพระกรรมฐานนี่เข้าไปจิตใจสงบลงได้สงบจากอารมณ์ที่น่ายินดีร้ายต่างๆในโลกนี่นะนั่นแหละ สงบจากบาปอากุศลต่างๆ <c oughs> เมื่อจใจสงบลงไปแล้วมันก็มีความสุขมันไม่มีกังวล น, นะสาเหตุที่มันจะสุขนั่นนะมันอิ่มมันพอเมื่อเมื่อจิตใจมันสงบลงแนละ้วมันไม่อยากได้อะไรเพราะฉะนั้นนะ่ะมันถึงเป็นสุขนะ พระพุทธเจ้าตัดว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันถูกต้องเลยความ่ใจนี่มันยังอยากยังหิวอย่างดิ้นรนทะเยอทยานต้องการอยากแค่ได้รูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใครพอใจต่างๆอยู่อย่างนี้นะมันก็หาความสงบสุขไม่ได้เลยเนี่ยนะ พระฉะนั้นพระพุทธเจ้ายังตรัสว่าตัณหาเป็นเหตุได้เกิดทุกข์ทุกทางใจนั่นแหละ <c oughs> ทุกที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนะบ้านี้ที่มันจะให้ทุกต่อไปเบื้องหน้านั่นมันจิตใจมันก็นยึดขันห้านี่ว่าเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาแล้วก็ใช้ขันห้านี่ทำดีบ้างทำชั่วบ้าง อือย่างนี้แหละถ้าไปทําชั่วมากกลัวทําทดีบะนี้เมื่อเวลาชวนจะตายกรรมชั่วมันก็ฉุดคร่าดวงจิตวิญญาณ น, นี้ไปกรรมชั่วนั่นแหละมันก็ไปสร้างรูปร่างอันน่าเกลียดน่ากลัวให้จิตนี้ได้อาศัยที่ท่านเรียกว่ารูปร่างของสัตว์นรกนั่นแหละนี่น ตัญหามันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งในปัจจุบันและในเบื้องหน้าพระพุทธเจ้าแสดงไว้นะเป็นอย่างนั้นปัจจุบันนี้ทำให้ใจว่าวุ่นหิวอยู่นั้นไม่รู้จักอิ่มเลยถ้าปล่อยตามอำนาจของตัญหานะมีแต่หิวอยู่อย่างนั้นนะอยากได้อะไรต่ออะไร อ้าวถึงเวลานอนก็อยากนอนอนอนหลับไปแล้วก็ไม่อยากตื่นตื่นแล้วก็ไม่อยากลุกเนี่ยอยากจะนอนต่อเพราะ ม, มันชอบความสุขอันเกิดจากความหลับความนอนนี่เมื่อบุคคลยังไปรู้อํานาจเกตันหาความอยากหลับอยากนอนอยู่นั้นก็ไม่ได้ทําความดีไม่ได้ชําระจิตใจ ที่เศ้าหมองให้พ่องใสเลยอย่างนี้ตัณหานี่มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ให้พึ่งพากันเข้าใจดังนั้นพระองค์เจ้าจึงได้รวบยอดเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาเนี่นเยเพราะตัณหาในเมื่อบรรยายไปแล้วมันมากมายเหลือเกินนะเป็นยงั้น ตัณหาอยากโลภตัณหาอยากโกรธตัณหาอยากหลงเนี่ยตัณหานี่เมื่อมันเพ่งเล็งไป ม, มากๆเข้าไปมันเพ่งไปในทางทุจริตเข้ามันก็เป็นความโลภนะเบยางไ น, นตัณหานี่เมื่อมันเพ่งเล็งไปในอารมณ์ที่ไม่ชอบใจหนักเข้าน่ะเข้ากลายเป็นความโกรธ ตัณหานี่เมื่อมันดิ้นลนมัวเมาไปในอารมณ์ต่างๆไม่รู้จักหยุดจั่งไม่รู้จักทวนกระแสจิตเข้ามาภายในปัจจุบันมีแต่ส่งจิดให้ลอยไปอดีตบ้างอนาคตบ้างยินดีบ้างยินร้ายบ้างเสียใจบ้างเศร้าโศกบ้างอะไรพวกนี้นะเนี่ยเรียกว่าตัณหามันก่อให้เกิดความหลงอ่ะ ก็เพราะมันอยากได้อะไรต่ อ, อไรนี่แหละมันจึงได้หลงจึงได้เมาไปไม่รู้ตัวลืมตัวอะไรอ่าเป็นอย่างนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าสอนให้ละตัณหานะกก่ก็คือการทวนกระแส จ, จิตเข้ามาในปัจจุบันนะวิธีละตัณหาไม่ทรงจิตให้พุ่งไปตามอารมณ์ภายนอกฝืน ฝืนความรู้สึกฝืนความอยากความปรารถนาของจิตใจมันอยากเราไม่อยากนี่เรียวว่าฝืนมันต้องการคิดส่งไปข้างนอกไปโน้นเราไม่ต้องการนะต้องการทวนกระแสจิตได้เข้ามาสงบนิ่งอยู่ในปัจจุบันนี้นี่เรียวว่าฝืนความรู้สึก ไม่ให้ปล่อยให้จิตมันไหลไปตามกระแสของกิเลสก็ให้พึ่งพากันเข้าใจถ้าผู้ใดไม่ฝืนความรู้สึกอันเป็นไปเพื่อกิเลสตัณหาอย่างว่านี่แล้วมันก็มีแต่สะสมกิเลสตัณหาให้หนาแน่นขึ้นในจิตใจไม่จบไม่สิ้นเลยการที่บุคคลจะมาตัดทอนตัณหาให้น้อยเบาบางลงไปนี่ ก็มีแต่ทวนกระแสจิตกลับเข้ามาภายในนี่นะไม่ส่งเสริมความทะเยอทยานของความคิดความนึกต่างๆนี่ไม่ส่งเสริมมันนะ่ะน่ น, นะมีแต่ทวนกระแสเข้ามาภายในจิตใจนี่ให้จิตมันมารวมกันอยู่ภายในนี่ไม่ให้มันแตกกระสานซ่านเซนไปภายนอก อันนี้นะเป็นอุบายวิธีล่ความอยากของจิตใจนะให้เพึ่งพากันเข้าใจก็พอเมื่อมันอยากแล้วมันก็เพ่งไปหารูปเสียงกลิ่นรส น, นั่นแหละไม่ไม่ใช่ว่ามันไปอยากอันได้อากาศสว่างสวัยอะไรอยู่ภายนอกอันนั้นไม่ใช่ เพราะว่าอากาศมันไม่มีรูปร่างอะไรเลยมันต้องการอยากได้รูปที่มองเห็นด้วยตานี่นะมันต้องการอยากฟังเสียงที่ได้ยินด้วยหูอ่ะมันต้องการกลิ่นหอมที่ได้สูดด้วยจมกูกมันต้องการรสที่เกิดขึ้นจากลิ้นรสอร่อยนะ นั่นไงมันต้องการสัมผัสอ่อนนุ่มนิ่มจากร่างกายนี้นั่นนงเพราะฉะนั้นต้องคิดให้มันเห็นตัณหามันอยากก็อยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใครพอใจในโลกที่โลกเขาสมมุติว่าสวยๆงามๆไพเราะอะไรต่ออะไรหมเนี่ย เนี่ยที่จริงถ้าพิจารณาโดยปรมัติธรรมแล้วรูปเป็นต้นดังกล่าวมานี่ไม่มีอะไรที่น่าปาถนาน่ารักใครพอใจเลยถ้าเพ่งให้ถึงความจริงแล้วพรารูปทั้งหมดจะเป็นรูปหยาบรูปละเอียดรูปปานกลางรูปปันนิดอย่างไรก็ตามมันก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเลย นี่ความจริงมันก็เป็นอย่างไรใครก็เห็นอยู่นี่ดูสิตายกันไม่เว้นสั ก, กวันเดียวอะคิดถัวไปทั่วประเทศนี่นะไม่เว้นสั ก, กวันแหละรเรื่องตายแล้วเอากันเผากันเนี่ยไม่เว้นสั ก, กวันเหมือนกันเนี่ยคิดถัวทั่วประเทศนี่นั่นรูปอันนี้นะรูปได้มันมันเกิดก่อน มันก็แปรปวนแตกดับไปก่อนรูปเกิดทีหลังมันก็แปรปวนแตกดับทีหลังแต่ว่ามันก็ไม่แน่เสมอไ ป, ร, ปรูปที่เกิดทีหลังนี่อาจแตกดับไปก่อนรูปที่เกิดก่อนก็ได้มันสุดแล้วสะเหตุปัจจัยที่บุคคลสั่งสมเอามาเมื่อรูปนี้แตกสลายลง เสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทางๆก็ดับไปตามการหมดเลยนี่ลองคิดดูให้ดีเพ่งดูด้วยปรมตท ธ, ธรรมอย่าไปลำเอียงไปในความรักความใคร่โดยส่วนเดียวต้องทำใจเป็นกลางแล้วเพ่งดูซะก่อนก่อนที่จะยินดียินร้ายไปก็ดีเมื่อเพ่งดูโดย ความสัตว์ความจริงแล้วมันก็เป็นอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องมันเพ่งบ่อยๆทีแรกมันก็เพ่งดูรูปกายอันดวงกิตอาศัยอยู่เนี้ยก่อนนะเมื่อเห็นแจ้งรูปกายอันนี้ตามเป็นจริงแล้วก็เพ่งดูรูปกายภายนอกนอกกายนี้ออกไปมันก็มีสภาวะเหมือนกันเลยไม่แปลกกันแล้ว รูปทั้งหมดมันก็ถูกปรุงแต่งขึ้นด้วยธาตุสีคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอะไม่นอกเหนือไปจากธาตุเหล่านี้เลยแถมอากาศสธาตุปิญญาณธาตุเข้าไปอีกรูปหมายถึงรูปกายของมนุษย์และสัตว์ดิเรฉชนแบบนี้นะมันต้องมีสองธาตุนี้เข้าประกอบด้วยอีกอมันจึงได้นามว่ามนุษย์หรือได้นามว่าสัตว์ดิรฉาน เคลื่อนไหวไปมาได้รูปอันใดที่ปราศจากอากาศธาตุวิญญาณธาตุและอย่างนี้รูปนั้นเคลื่อนไหวไปมาไม่ได้ต้องเกิดอยู่กับที่เช่นต้นไม้ใบหญ้าหินกลวดอะไรพวกนี้นะซึ่งมันไ ม, มมไม่มีวิญญาณอาศัยวิญญาณธาตุไม่มี มันก็เลยไม่มีอิทธิพลอะไรที่จะโยกย้ายตัวเองไปไหนมาไหนได้นี่ต้องคิดดูให้ละเอียดลออแล้วอลงไปสิเราจะไปนั่งภาวนาเฉยเมย อ, อยู่ทำไมอะ่ะเมื่อทำใจสงบแล้วก็ต้องวิจารณ์สิแยกแยะดูอันสิ่งที่จิตใจมันไปเกาะไปคล้องอยู่นั่นนะ อันนี้คนเราส่วนมากนะ่ะมีแต่ปล่อยตนให้เป็นไปตามยถากรรมจิตตนชอบสิ่งใดก็ไปคล้องสิ่งอยู่ในสิ่งนั้นก็ให้มันคล้องไปอย่างนั้นแหละไม่ได้พิจารณาให้เห็นโทษแห่งความคล้องความติดอันนั้นเลยว่าเมื่อจิตไปกาบไปคล้องอยู่เนี่ยมันจะมีโทษยังไงหนอบ้างมันจะให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หนอ อย่างนี้มันไม่คิดไปคำนึงเลยน ะ, ะคนส่วนมากเป็นอย่างนั้นวันนี้พระศาสดาทรงปลุกให้พุทธบริษัททั้งหลายตื่นตัวรู้ตัวให้เพ่งพิจารณาดูสิ่งที่จิตใจมันไปเกาะไปคล้องอยู่นั้นนะพิจารณาดูเห็นให้เห็นโทษแห่งความยึดความถือ ต่างๆเหล่านั้นว่ามันเป็นไปเพื่อทุกข์ทำไมมันจึงเป็นทุกข์ที่มันเป็นทุกข์ก็เพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละไปยึดถือสิ่งที่ไม่เที่ยงเมื่อสิ่งที่มันไม่เที่ยงมันแปลโพนไปอย่างเนี้จิตใจนี่ก็เป็นทุกข์แล้วนี้ไปไปหวงมันไว้นี่อยเมื่อมันพลัดพากลไปก็ต้องอาลัยละห้อยต้องเป็นทุกข์นี่ เนั่นแหละเราต้องใช้พัญญาวิจารณวิจัยดูอย่างนี้มันก็เห็นได้เห็นโทษแห่งความยึดความถือได้ไอ้ความยึดถือเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันก็มีอยู่สองประเด็นเมื่อยึดถือด้วยอวิชชาตัณหาได้อย่างนี้มันก็พาให้ไปทำบาปทำความชั่วอ่า มันก็มีทุกขิทีเป็นที่ไปแหละบัดนั้นนะเมื่อบุคคลไม่รู้ถัวนะขืนยึดถือเอาเรื่องชั่วไว้เป็นอารมณ์อยู่ในใจจนตลอดชีวิตอย่างนี้นะไม่ยอมละไม่ยอมปล่อยวางเลยนั่นแหละความยึดถืออันประกอบไปด้วยอวิชชาตันหาอย่างนั้นแหละมันพาไปสู่นรกเปรตอสุรกายสัตว์ราฉานไอ้ความยึดถือประเภทที่สอง ได้แก่ความยึดถือรูปเสียงกลิ่นรส้วยอํานาจแห่งปัญญาวันนี้นะยึดถือด้วยอํานาจแห่งปัญญานี่มันเรีน้ว่าดีอ่ะอดีกว่ายึดถือด้วยอํานาจแห่งอวิชชาเช่นยึดถือรูปกายอันนี้ตนยังละมันไม่ได้อย่างนี้อ้าวก็ต้องใช้กายนี้ทําความดีไปอย่าไปใช้มันทําความชั่วธรรมดาคนมีปัญญานะ จะไม่ใช้กายวาจานี้ทำชั่วพูดชั่วเลยพยายามใช้มันทำแต่ความดีพูดแต่เรื่องดีเรื่องไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมอันนี้จึงเรียกว่าเรื่องดีอันนี้ <c oughs> เมื่อเมื่อตอนยังมีบุญราสนาบารมีอินทรียังอ่อนอยู่ไม่สามารถจะปล่อยจะวางขันห้านี้ได้ ก็ต้องยึดขันห้าอาศัยขันห้านี้สร้างบุญสร้างกุศลไปอ่าก่อนนี่ความยึดถือในขันห้ามันมีสองประเด็นอย่างนี้ประเด็นที่สองนี่แหละมันไม่เสียหายอะไรเท่าไหรนักอ่าเมื่อเราอาศัยขันห้านสร้างบุญสร้างกุศลให้มากขึ้นในใจิตใจเสมอไปอย่างนี้นะ จนกลัวว่าบุญกุศลนั่นจะเต็มมาเมื่อบุญกุศลนั่นเต็มแล้วมันก็มันก็ปล่อยวางเองมันก็ยุติเลยหายอยากหายหิวหายหลงหายเมาไปหมดเลยบบบนี้ไม่อยากได้อะไรแล้วเมื่อบุญกุศลเต็มแล้วนะมันอิ่มตัวมันเต็มที่แล้วเลยเพราะว่าเมื่อบุญกุศลมันเต็มแล้วนี่มันก็ กำจัดอาสวะกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายให้หมดสิ้นไปเมื่อกิเลสตัณหาอันเป็นเได้เกิดทุกข์แล้วนั้นดับไปหมดแล้วมันก็เหลือแต่ความสุขล้วนๆที่ท่านเรียกว่านิพพานังปรมังสุขขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งก็หมายความว่าสุขอันนี้มันสุขไม่มีจืดไม่มีจางสุข มันยั่งยืนอยู่ตลอดอนันตการนะให้เข้าใจสุขไม่เปลี่ยนแปลงเลยเป็นอย่างไ น, นอันสุขในโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงไปได้เนเทียบกันดูกเพราะว่ามันสุขอาศัยวัตถุสิ่งของเมื่อวัตถุสิ่งของนั้นมันแปรพรวน แตกดับไปความสุขเหล่านะั้นก็หายหน้าไปหมดเลยนี่เหตุไอความสุขในพระนิพพานนี่ไม่ได้อิงอาศัยวัตถุสิ่งใดหมดเลยนั่นแหละอาศัยแต่ความบริสุทธิ์อย่างเดียวําระจิตใจให้บริสุทธิ์แล้วความบริสุทธิ์อันแรกคือนิพพานนะนั่นแหละความบริสุทธิ์อันนั้นแหละคือพระนิพพาน เลยไม่ว่าจิตซะเลีวว่า น, นี่นะอ่าก็เลยว่านิพพานซะอย่างเดียววะแปล ว, ว่าดับเหมือนกัว่ากิเลสอันจะเป็นเตุได้เกิดทุกต่อไปเนี่ยมันดับหมดเลยท่านจึงเรียก ว, ว่านิพพานนะเมื่อสิ่งที่ไม่จริงเล้วนั้นมันดับไปหมดแล้วก็ยังเหลือแต่ของจริงอย่างเดียวทำของจริงอันนี้นะไม่ ไม่แปลผันเป็นอย่างอื่นไปเลยนะเหมือนทองคำธรรมชาติอย่างนี้เนะี่ยมันก็เป็นทองคำอยู่นั่นแหละใครอยากเอาไปหล่อไปหลอมไปทุบไปตีทำเป็นเครื่องประดับอะไรมันก็เป็นทองคำอยู่อย่างนั้นแหละมันไม่เป็นอย่างอื่นอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันเนี่ย คำว่า น, นิพานก็เป็นนิพานอยู่นั้นนะไม่ได้แปลเป็นอย่างอื่นไปเลยส่วนโลคสานิวาตอันนี้มันแปลเปลี่ยนหมุนเวียนไปไม่หยุดยัง้งเพราะเหตุ น, นั้นพระองค์เจ้าจึงตรัสว่าวัตตะโตโลโกโลคอันนี้มันหมุนไปอยู่อย่างนั้นบุคคลเมื่อสะสมกิเลสไว้ในใจแล้ว กิเลสเลนั้นมันก็ปั่นจิตใจให้ใช้กายใช้วาจาทำชั่วพูดชั่วไปมีฆ่าสัตว์เป็นต้นและ ว, วันนี้กรรมชั่วที่บุคคลผู้นั้นทานั้นมันก็ติดตามให้ผลเป็นวิบากคือให้ผลเป็นทุกข์เดือดร้อนต่างๆนานานี่ <c oughs> ขั้นเมื่อพ้นจาก วิบากกรรมอันนั้นมาแล้วเอา้าผ่านมาสั่งสมกิเลสขึ้นมาอีกเอากิเลสอันนี้มันก็เป็นเนี่ยได้ทํากรรมดีกรรมชั่วต่อไปกรรมดีกรรมชั่วก็นําชีวิตนี่ให้ละเหลให้ละเหเ ล, ล่อรนไปในสงสารเสวยสุขบั่งเสวยทุกข์บั่งไปอยู่อย่างนี้นะชีวิตของมนุษย์เรานะหมุนเวียนเป็นวงกลมอยู่เนี่ย ออกจากวงกลมคืออวิชชาตันหานี่ไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละให้พึ่งพากันเจริญปัญญาวิปัสสนาพิจารณาสังขารร่างกายอันนี้อพิจรณาเหตุปัจจัยแห่งสังขารร่างกายอันนี้ให้มันเห็นแจ้งตามที่บรรยายให้ฟังมานี้นะถ้าเห็นตามนี้แล้ว แน่นอนนะทุกคนก็ต้องข ม, ขมักขมันสั่งสมบุญกุศลบารมีทำแล้ววันนี้จะไม่นิ่งนอนใจเลยถ้าว่าไปนิ่งนอนใจแล้วเกียรติคร้านทำความดีแล้ววันนี้มันก็ตกไปเป็นทาตุแห่งความชั่วแหละจิตใจอันนี้นะมันอยู่เฉยๆไม่ได้เนยะเมื่อละความดีมันก็ต้องไปสั่งสมความชั่วใส่จิตใจตัวเองไว้ ถ้าผูใ้ใดเบื่อหน่ายความชั่วลากความชั่วเสียแล้วมันก็ไปสะสมความดีใส่เข้าไว้นี่มันมันเป็นอยู่เนี่ยจิตใจคนเรานะเมื่อไปพอใจกับความชั่วแล้วมันก็เบื่อหน่ายความดีนะเป็นอย่างนั้นนี่ถ้าผูใ้ใดเบื่อหน่ายความชั่วแล้วมันก็ชอบความดีแล้ววันนี้น ะ, ะหมุนทำความดีด้วยกายวาจจใจไปเรื่อย เหมือนอย่างบุคคลผู้ที่มีความเอื้อเฟื้อต่อวัดวาศาสนาอย่างนี้แหละอุปถรัรมภำรุงวัดวาศาสนาโดยปัจจัยทั้งสีอยู่อย่างนี้น ะ, สะแสดงว่าจิตใจชอบบุญชอบกุศลมองเห็นว่าบุญกุศลนี่แหละเป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ภัยต่างๆ ออกจากกิจใจนี่ไปได้ก็เพราะอํานาจบุญกุศลนี้ให้บรรลุถึงซึ่งความสุขอันเป็นแก่นสารที่ท่านกล่าวว่าพระนิพพานนั้นก็ก็คืออาศัยอนุภาพแห่งบุญกุศลนี้แหละเมื่อบุคคลสั่งสมให้มากๆขึ้นไปเท่าไรมันก็ขับไล่กิเลสบาประธรรมออกจากกิจใจนี่ไปเรื่อยๆหมายเอากิเลสบาประธรรมที่ได้สะสมมาแต่อดีตน นั่นเนี่ยเมื่อตอนมาพอใจในบุญกุศลสั่งสมบุญกุศลมากเข้าไปมากเข้าไปมันก็คำจัดกิเลสนั้นให้เบาบางออกจา ก, กจิตใจนี้ไปเรื่อยๆอเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่าสุขโอปุญญ า, าอุเจยโย<ม>การสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุขดังนี้ เนี่ลองพากันพิจารณาดูให้เห็นให้รู้ด้วยตนเองว่าการสั่งสมบนนี่มันนํามาซึ่งความสุกริ่งหรือเรื่องนี้มันต้องให้รู้ให้เห็นด้วยตนเองนะอย่าไปเชื่อแต่ผู้อื่นพูดเฉยๆตนลงมือทำบุญกุศลเข้าไปแล้ววันนี้ผลมันจะเกิดขึ้นในจิตใจอย่างไรในปัจจุบันนี้นะก็ต้องพิจารณาให้รู้ให้เห็นด้วยตนเอง ไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะไม่เชื่อบุญอีกแล้วเพราะไม่ได้ดื่มรสชาติของบุญนี้เมื่อผูใ้ใดได้ดื่มรสชาติของบุญแล้วก็จะลงความเห็นเอาว่าบุญนี้ก่อให้เกิดความสุขความสงบใจได้จริงๆอย่างนี้นะอ่ามันก็จะลงความเห็นอย่างนี้เมื่อมันเห็นอย่างนี้อยู่ในใจเสมอๆแล้วใครเราจะไปนิ่งนอนใจดับ มันก็สะสมบุญกุศลให้มากขึ้นเรื่อยๆหละเพราะว่าบุญกุศล น, นี่เมื่อมันสะสมมาน้อยอย่างนี้มันก็ให้ความสุขตามน้อยความสุขไม่ยืนนานถ้าเมื่อสะสมมากมากเข้าไปเลยมันก็อำนวยผลให้เป็นสุขไปนานเท่านั้นนี่บุคคลมารู้อย่างนี้แล้วมันก็นไม่นิ้งนอนใจนะ